คาถาที่สามสิบสองเยนะส่วนใหญ่แล้วพระประเจกขพุทธเจ้าโดยมากเป็นพระราชาคือพระประเจกขพุทธเจ้านั้นสามารถตาแหน่งฐานะจะเป็นข้นหาบดีก็ได้เป็นพระราชาก็ได้แต่โดยมากจะเป็นพระราชาตั้งคำถามว่าทำไมพระปเจกขพุทธเจ้าโดยมากก่อนที่จะบรรลุจึงเป็นพระราชาหรือเกิดในตระกูลกษัตริย์ คำตอบก็คือว่าพระปเจกพุทธเจ้าเหล่านี้ในอดีตท่านคือพระภิกษุที่ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากและท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมโดยเฉพาะบูชาจะปูชนียานางบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงมันก็ไม่แปลกใจว่าทําไมท่านเหล่านั้นจึงเป็นพระราชาโดยมากเนี่ยนะ เพราะว่าท่านท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในคาถาที่ส2สองได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในพระนครพาราสีทรงได้ปฐมฌานปฐมฌานแล้วก็สละราชสมบัติเพื่อตามรักษาฌานคือพอได้ปฐมฌานนี่เลยคิดเลยว่าจะเอาราชสมบัติเอาไว้หรือจะรักษาปฐมฌาน ถ้าโดยกรร ม, มปัจจัยเนี่ยนะรักษาราชสมบัติไม่แน่อาจจะตกนรกแต่ถ้ารักษาปฐมฌานได้อย่างเบาที่สุดเกิดเป็นพรหมนะจะเอาอันไหนดีจะรักษาอันไหนดีถ้ารักษาราชสมบัติมีเรื่องไม่สบายใจตลอดชีวิตแต่ถ้ารักษาปฐมฌานสบายใจจนตายเหมือนั้นจะเอาอันไหนจะเลือกเอาอันไหนในที่สุดก็แยกได้เลยว่าถ้ารักษาราชสมบัติหนักใจจนตาย ตายแล้วก็ไม่แน่ว่าจะพ้นอบายหรือเปล่าแต่ถ้ารักษาปฐมฌานมีความสุขตลอดชีวิตเพราะว่าปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารณ์ปิติสุขที่เกิดจากวิเวกหรือสุขที่ตั้งมั่นและขณะเดียวกันกรมมรมปัจจัยปฐมฌานก็ทําให้เกิดในพรหมโลกได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลือกที่จะเอาปฐมฌานก็เลยบวชเนี่ยนะพอบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนาอยู่กระทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยาน เพื่อจะทรงแสดงถึงสัมปทาความถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติของพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าบุคคลละนิวรณทั้งห้าหรือเครื่องกลางก้านจิตทั้งห้าอย่างบันเทาอุปกิเลส ท, ทั้งปวงแล้วผู้อันตันอันทิฏฐิไม่อาศัยตัดโทษคือความเยื่อใหญ่ได้แล้วเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดโนราต อ, นะอานะอวารณานเนี่ ย, นะนยก็คือนิวรณทั้งหลายนั่นแหละ นิวรเหล่านั้นเรียกว่าเครื่องกางกั้นจิต ด, ดุดหมอกเป็นต้นปิดบังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะก็คือทําให้หมอกหรือเมฆหมอกเป็นต้นปิดกั้นไม่ให้พระจันทร์สว่างสวยไม่ให้พระอาทิตย์สว่างสวัยฉันใดนิวรนทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นปกปิดปิดกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญ ง, งอกเงยฉะ น, นั้นไม่ให้ปัญญาสามารถที่จะศาสส่องแสงสว่างแห่งปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นก็ ละนิวรณ์ทั้งหเนี่ยนะละด้วยอะไรละด้วยอุปจาระหรือด้วยอัปปนาละด้วยสมถะก่อนจะได้ฌานหรือว่าละด้วยฌานนั่นเองคําว่าละละด้วยการข่มเอาไว้ไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์เข้ามาเนี่ยนะด้วยการเจริญกุศลรรธรรมอย่างหนาแ น, น่นเช่นพรมนิหารเป็นต้นบทว่าอุปกิเลสะได้แก่อกุศลธรรมทั้งหลายที่เข้ามาเบียดเบียนจิตหรือธรรมทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าอุปกิเลสเนี่ยนะ อภิชาวิสมะโลภะความกโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอถือตัวแข่งดีริสย า, ามัฉริยามายาสาไทยเป็นต้นเนี่ยนเะเขาเรียกว่าอุปกิรณ์เครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายละนิวอนออกไปจากใจละเครื่องเศร้าหมองใจออกไปเรียกว่าละพิษภัยออกไปจากใจบรรเทาให้พินาฏละด้วยวิปัสนา นะก็เรียกว่าบันเทาทําให้พินาศแล้วก็ละด้วยวิปัสนาละด้วยอริยมรรตัดขาดได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรตบทว่าสัพเพที่เหลือลงบุคคลถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสนาอย่างนี้เป็นผู้อันทิฏฐิไม่อาศัยเพราะความที่ทิฏฐินิสัยอันท่านละแล้วด้วยปฐมมรรต์อย่างที่ในเมตสูตรว่าอันกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะเนี่ยนะ ไม่เข้าไปอาศัยทิฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือโสดาปฏิมาคยังไงไม่เข้าถึงความนอนในคันก็คืออนาคาไมมัคเป็นต้นเพรันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอาศัยพื้นฐานได้เมตตาพรหมิหารเป็นฌานพั้นผู้ที่จะละนิวรได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็อย่างเช่นละด้วยปฐมฌานปฐมฌานเหล่านั้นเป็นไปกับเมตตา เป็นไปกับเมตตาอากุศลธรรมทั้งหลายก็เข้าไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจเมื่ออกุศลธรรมทั้งหลายไม่เข้ามาเบียดเบียนจิตใจด้วยอํานาจสมถะอย่างนี้แล้วก็อบรมเจริญวิปัสนาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายโดยอนุปัสนาเป็นต้นแล้วก็สมถาวิปัสนาเคียงคู่ก็โสดาปติมัคก็เกิดขึ้นก็ตัดความเยื่อใยเนี่ยนะตัดทิฐิได้เสร็จแล้วก็ตัดความเยื่อใยที่ติดตามไตรธาต หมายก็ว่าตัดค่ะคือว่าเลกิกเลกิกกหนัดเลกิกพอใจเลกิเล ก, ลกมีความหวังเลกิกมีความต้องการใ น, ในการมาพรบรูปร ป, ประพบและอารูปประพบการมาท่ารูปธาตุและอรูปธาตุด้วยอริยมรรคทั้งหลายที่เหลือนะนะคือว่าตัดตันหาราคาได้แล้วก็ความเยื่อใหยนั่นแหละเรียกว่าเป็นโทษโทษก็คือความเยือยย่อใหยความเยื่อใ ย, ยในทุกนั่นแหละทําให้ออกจากทุกไม่ได้ความเยื่อใยในภพนั่นแหละทําให้ออกจาก พบไม่ได้ก็ต้องตัดความเยื่อใยอ น, นันต์เสียออกจากพบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่กับพบเดิมๆตลอดไปนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนยนะในจุลนิเทศภาษราริบุตรอธิบายว่าละแล้วซึ่งนิวรณ์ทั้งห้าประการความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นละสละบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีซึ่งการมฉันทานิวร ทำให้ไม่มีซึ่งพยาบาทนิวรณ์ทีนามิท่านิวรณอุทจากกุกุจานิวรณ์เสร็จแล้วก็สงัดจากกรามสงังอาจจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกเนี่ยนะเพราะว่าปฐมฌา น, นะเป็นเครื่องอข่มนิวรณ์ได้อย่างดีนะอนุภาพของปฐมฌานถ้าหากว่าไม่ถึงระดับฌานเนี่ยการข่มนิวร์เนี่ยก็ข่มได้ไม่ดีจริงเนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างข่ม อ, อย่างเช่นข่มความโกรธถ้าจะข่มด้วยเมตตาหรือจเจริญเมตตาโดยทั่วไปก็เรียกว่าข่มยังไม่ดีพอเหมือนกับว่าถ้าจะดับไฟเนี่ยดับให้มันสนิท จ, จริงก็ต้องแบบที่ตรงนั้นน่ะน้ำท่วมนั่นแหละที่ที่มันน้ําท่วมนั่นแหละฟืนที่น้ําท่วมแล้วมันยากที่จะติดไฟได้ฉันใดอนิวรทั้งหลายที่จะข่มได้สนิท จ, จริงก็ต้องระดับปฐมมายาข่มได้ขนาดนั้นแต่ถ้าปล่อยให้น้ํามันแห้งเมื่อไหร่ ลมโกรกเมื่อไร่ฟืนแห้งสนิทเมื่อไรก็ติดเชื้อตามเดิมอีกนี่ก็เหมือนกันถ้าจะลาบาปล่าอากุศลก็ต้องข่มด้วยน้ำเนี่ยนะเปรียบเมตตาเช่นกับน้ำที่มาท่วมไม่ให้ไฟคือบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมีนิวร์เป็นต้นครอบงามและกลุ่มรุมส่วนเครื่องเศร้าหมองของจิตก็คือราคะโทสะโมหะความกโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองของจิต สลัดเสียแล้วซึ่งกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตความว่าสลัดบรรเทาละกำจัดทำให้สิ้นสุดให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งปวงนิสัยมีสองอะนะนิสัยตันหานิสัยกับทิฏฐินิสัยอาศัยตันหากับอาศัยทิฏฐินั่นแหละส่วนความความชังเนี่ยนะความชังความชังก็คือความโกรธอะนะ ความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความกโกรธตอบความเครืองความเครืองทั่วเครืองเสมอท่านใช้คําว่าเครืองนี่ก็ตรงดูเคยระคายเครืองต่างๆาไหมถ้าระคายเครืองทางๆ เ, เป็นยังไงดูอะไรสนุกไหมใจของเราก็เหมือนกันท่ากว่าเราเครืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งสักอย่างหนึ่งมันก็หลังนั้นนะอักเสบทางความคิดก็เลยเดือดร้อนนะครับเนี่ยหรือบางทีก็ความชังอ่ะนะชังก็คือชิงชังชิงชังทั่วชิงชังเสมอแห่งจิตเนี่ยนะถ้าทั้งชิงทั้งชังเดี๋ยวเ เราก็แทบจะมองหน้าไม่ติดเลยวันว่าแค่คิดถึงก็เดือดร้อนแล้วเหมือนเพราะอะไรเพราะความชิงชังความพยาบาทแห่งจิตความปัททุสร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธความเป็นผู้โกรธความชังกิริยาที่ชังความเป็นผู้ชังความพยาบาทกิริยาที่พยาบาทความเป็นผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายดุร้ายก็เหมือนกับอสรพิษถูกตีที่หาง ก็ดูร้ายฉันใดจิตใจที่โทสะก็ฉันนั้นความแค้นแค้นแค่ไหนถึงน้ําตาไหลาพรากพรา ก, พรากเลยนะนั่นแหละเรียกว่าความไม่พอใจนี่ไน้ำตาไหลาเอ่ยนะนะั่นแหละคำว่าอันตันหาทิฏฐิไม่อาศัยตัดแล้วซึ่งความรักและความชังความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นตัดตัดขาดตัดสิ้นบรรเทาทําทให้สิ้นสุดไม่ให้มีในภายหลัง ซึ่งความรักด้วยอํานาจตันหาและความรักด้วยอำนาจทิฏฐิตัดความชังอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยตาหมายคา็ว่าไม่ใช่ว่าลืมตาด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิไม่ใช่เห็นได้ตันหาและทิฏฐิไม่ใช่ฟังด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิไม่ใช่รู้กลิ่นด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิเนี่ยนะละตันหาด้วยสมถะละทิฏฐิด้วยวิปัสสนาก็แปลว่ามีสมถะวิปัสสนาในทุกทวารเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจึงไม่อาศัยในอารมณ์ทั้งหมดด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงไม่พัวพันไม่เข้าถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจไปสลัดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องทาใจให้ปราศจากเขตแดนที่เรียกว่าทาใจไม่ให้เป็นเขตแดนแห่งตันหาและทิฏฐิฉะนั้นจึงเรียกว่าอันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยตัดความรักและความชังออกไปเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้น สรุปว่าพระปเจกับพุทธเจ้าละแล้วซึ่งนิวรห้าที่เป็นเครื่องกลางกั้นจิตสลับเสียแล้วซึ่งเครื่องเศร้ามองจิตอันตันหาและทิฐิไม่อาศัยตัดเสียซึ่งความรักและความชังเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอนและตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นการละสมุทยัยสัจจะนั่นเองเลือกชานก็เลยได้เป็นพระปเจกเลยนะถ้าเลือกราชสมบัติก็ไม่แน่